นั่งสมาธินั่งกรรมฐานให้พากันนั่งขัดสมาธิให้ได้การนั่งขัดสมาธิแระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นลูกเท่าพญามาหากรัแต แต่ถึงกากนั้นพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิย็ดได้ท่านไม่ยึดไม่ถือคนเราที่ทำอะไรไม่ได้คือว่าความยึดมั่นถือมัน่นในตัวในตนในเราในของของเรามากเกินไปหรือภาษาหนึ่งเขาว่าคนชิดิว่าอย่างนั้น คิดเฉว่าถือลั่นไปตามความเห็นของตัวเองแม่พระพุทธเจ้าจะสั่งสอนอย่างไรอย่างไรก็ไม่ฟังเรียกว่าถือลั่นไปตามความคิดของตัวเองเรียก ว, ว่าทิฏฐิมานะอาสะวะกิเลสมันดองอยู่ในสันดานแม่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่ฟัง พระสาวกองค์อาราหาันตาชินาศในขั้งพุทธการสอนก็ไม่ฟังอีกเพราะตัวทิฏฐิความเห็นไม่แก้เมื่อไม่แก้ไขทิฏฐิทิฏฐินี้สัมมาทิฏฐิ เป็นวิชาทิถิไม่ฟางใครไม่เอาไม่เอาความเห็นของใครเอาความเห็นของตัวทีนี้ความเห็นของตัวนั้นเมื่อมันผิดคลาดแล้วก็เกิดโทษใหญ่ ตัวอย่างอย่างหยาบยาบเมื่อวันที่เก่ามีคณะหนึ่งเคล็ดปฏิวัติเมืองไทยทั้งๆที่ประเทศไทยเมืองไทยเพิ่นปกครองประชาที่ปลอไใยแล้ว มีสมหากษะตัดเปประมุขมมชาติมศาสนามีพุทธศาสนาประเทศไทยนี่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจชาติแม้พระเจ้าแผ่นดินองค์ใดขึ้นมาสวอยล่าในแผ่นดินประเทศไทย จะต้องนับถือพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาปามภกยกย่อประพุทธศาสนาทุกองมาโดยลำดับตั้งแต่ <c oughs> สมัยกรุงชุกโขทัยหรือสมัยเชียงแสนตลอดลงมาจนถึง สมัยอยุธยาสมัยกรุงเทพล้วนแล้วจะ น, นับถือพุทธศาสนามาโดยลาดับนอกจากพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินประชาชนคนส่วนมากก็นับถือพุทธศาสนาตามกันมาโดยลาดับลาดับ อาณ น, น, นศาสนาพุทธศาสนานี้จึงมาเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยสมัยนี้ก็ไม่มีประเทศใดที่จะนับถือมั่นคงเหมือนประเทศไทยประเทศไทยคนไทยนี้แล้ว่ามั่นคงกว่าทุกประเทศ พุทธศาสนาเจ็ขฝังอยู่ในน้ำใจของคนไทยไม่ว่าจะไปโยต่างประเทศไปทำมาหาเรื่องเีตประเทศอื่นๆก็ตามแต่พุทธศาสนาเขาไม่ได้ทิ้งจะเห็นได้ว่าโน่นไปโยฝ้าฟ้าป่าหิมพาน อเมริกาคานาดาเยนญี่ปุ่นถ้าคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็มีพุทธศาสนามีวัดวาศาสนาในที่นั้ น, น, นอเมริกาคนไทยไปอยู่มากเขามีวัดไว้เป็นที่กราบไหว้บูชามีพระพุทธโลกมีหนังสือธรรมะ เป็นที่สักการะบูชาของเขาไว้สแสดงถึงว่าพุทธศาสนานั้นคนไทยประเทศไทยนับถือแข็งแรงกว่าพิกสุกสงในทางพุทธศาสนามีมากที่สุดก็คือว่าประเทศไทยเมืองไทยเมืองอื่นจำกัดจำกีย ไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี้นิยมตั้งแต่บวชลูกบวชหลานเป็นสามมันเนนเป็นทิกษุพ่อแม่ทุกคนส่วนมากเมื่อลูกหลานบวชแล้วก็ไม่ต้องการอยากจะให้สึกอยากให้อยู่ต่อไป เขามองเห็นว่าไม่เีที่ใดแล้วจะดีเท่ากับพุทธศาสนาถ้าลูกหล า, านได้บวชก็่ะดีอกดีใจน้อยคนที่จะมาทักชวนให้ลูกหลานที่บวชนั้นศึกหาลาเพศไปส่วนมากมาวัดวาศาสานาก็เสริมให้ โยได้นานๆแต่ว่าผู้โบทนั่นแหละมันตั้งหัเครือหาทางที่จะออกอยู่เสมอเหมือนเขาขังนกกระถานกกระถานั้นเป็นนกตัวลายๆมันขันเก่งร้องเพลงเก่ง แต่ว่ามันมีนิสัยอยู่ว่ามันหาทางออกเหมือนพระภิกษุงสงในทางพุทธศาสนาที่ยังภาวนาไม่เป็นสับตาตุ้มหาทางออกเหมือนนกกราวันยังขามันก็สั์อยู่นั่นนะทังข้างที่เขาปิดไว้ไม่มีทางที่จะออกมันก็พยายามจะออกอยู่เสมอ อันนี้คือว่าสิเลสในหัวใจของแต่ละบุคคลแค่นั้นเราผู้มาบวชในศาสนาไม่ว่าบวชหญิงบวชชายไม่ต้องไปขัดตาซุ้มออกไปให้อยู่คืนนั่งขัดสมาธิให้ได้เมื่อนั่งได้แล้วใจก็ให้เป็มเพชรถักบวบวหงอะไร อดีตามันหมดไปสิ้นไปไม่ต้องไปเกี่ยวข้องในกิเลกสกรรมวัตถุกรรมอีกนั่นแหละเป็นความสุขสบายแท้แต่จิตใจพระเนน บ, งบงังกองมันไม่ไปไปไม่ได้จะเห็นได้ว่าบางคราวบางสมัยที่ หลวงปู่ก็ครองฟ้ะเนรมาพอบวชเป็นพระเป็นเนรเรียนนักธรรมได้แล้วถึงข่าวคัดเลือกทหารอายุยี่สิบยี่สิเจ็ดเขาให้ไปคัดเลือกทหารก็กำสัตกำซาบอกว่าไปแล้วก็ไม่ต้องไปคัดไปจบฉลาดนะ ไปเสนอชื่อว่าสมัยนี้เขาให้นักทำตีทำโททำดเอเส็งเป็นมหาป ร, ริญยนแล้วไม่ต้องจบก็ได้ตลาดถ้าจบมันถูกแล้วเขาต้องเอาเมื่อไปจากครูมาอาจารย์ก็ครับครับครับครับสองเทือ่อสามเทือ่อขั้นไปถึงที่จบ ลาเลยไม่เสนอเพราะว่ามีบอนที่แก้ตัว <c oughs> ที่ว่านกกรทามันตัดตาตุ้สตัด่องหาทางเกอะทนี่ถ้าจะไปลาญาิลาโยมโยมก็จะว่าศึกไปทั้งไมหลงไอ้คณบวชอยู่ดีแล้ว กึกออกมามันเป็นทุกข์เป็นร้อนทีนี้ก็หาทางแก้ถ้าไปแล้วขัดเลือกทหารถูกทหาราเอาไอ้ที่ถูกทหารไปแก้โยมผู้หญิงผู้ชายว่าไม่ไหวแล้วยงมนะทีนี่ขัดเลือกถูกเป็นทหารจะแล้วจะได้ลาสิดขาเสียแล้วว่า โยงก็บม่มีทางค้ากฎหมายบ้านเมื อ, เองจะ่นี่หลงเี่หลงเงงก็ไว้ได้โอกาสถึงว่านกกาทมันขับตาตุ้มหาขังขออันนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เลือกให้แล้วว่าการโกนผมโกนเที่ยว นุ่งผ้าตาสาวกับพัดบวชเป็นพิกสุกสา ม, มันเณรผ้าขาวนางชีดีแล้วไม่ต้องคิดสึกหาหลาพศจะได้เจริญสมถกรรมฐานให้เต็มที่จะได้เจริญวิปัสนากรรมฐานให้เต็มที่จะเด็ดนั่งสมาธิภาวนาให้เต็มที่ จะได้ตัดบ่วงห่วงอะไรที่มันยังยังไม่ขาดให้มันขาดตะบันทันแหลกไปโดยเฉพาะพรรษาเนี่มันเด็ดขาดทุกองทุกองถ้าใจเราตัดบ่วงห่วงอะไรอยู่ตลอดเวลาแม้มันยังตัดไม่ได้เดือนหนึงหมดไปแล้วในพรรษา ถ้าองไหนคนใดตัดไมะ่ะตัดต่อไปอีกเดี๋ยวนี้มันเข้าเดือนที่สองจำพรรษามันมีอยู่สามเดือนเดือนที่สองเราก็ไหวตั้ะสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาตัดกิเลสต่อไปอีกเดือนที่สองนี่เอาให้มันเด็ด ภาวะสดที่่ใสแล้วก็ยังไม่ยังตัดไม่ขาด ย, ยังเป็นนกกระทาตาักตาตุ้มอยู่เดือนที่สามอีกเดือนที่สามนั่นเป็นเดือนสุดท้ายต้องเอาจริงๆโซ่กับกแหลกมานสังขารมานให้ได้ใครชนะ ถ้าเดือนที่สามก็จะไม่ไหวอีกยังวุ่นวายที่จะศิกหาลาเทศต่อไปก็ให้คิดถึงวันออกพรรษา ม, มหาปวารณาวันออกพรรษาวันมหาปวารณาตัวเดือนทิดเอ็ดเพ็นวันเพ่งเดือนที่เก็ ในสมัยทั้งพุท ธ, ธานพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านภาวนามาถึงวันออกพัรษามันมหาตภาวนาท่านเอาเต็มที่บางท่านบางองค์ก็ถึงกับว่าไม่หลับไม่นอนตั้งจิตตั้งใจภาวนาจริงๆเอาจนได้สำเร็จ เป็นพระโสดาบั้งเป็นพระสธิธาคาบั้งเป็นพระอนนาคาบาา่างพุทธศาสนาในค้า้งพุทธกาลนั้นท่านเ่าจิงเอาจับไม่เหมือนคนสมัยนี้ยางราชาก็ <c oughs> <c oughs> เมื่อถึงไตรมากสามเดือนท่านก็มา เล่นภาวนาอาวันออกภาษาวหาภาวนาเอาจนเด็ดขาดลงไปดังว่ายังไม่สงบรงมับยังไม่ได้แม่แต่โสดาปฏิผลกดเล่นภาวนาวันออกภาษาวันภาวนาให้ได้สำเร็จเป็นพระโสดาปฏิผล พระโสดาปฏิผนั้นละสกายทิดสีวิจิคิษาสีละพษัษาสรามาได้เด็ดขาดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขั้นแรกมันมีอยู่สีขั้นไดขั้นแรกนี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้ ขั้งพุทธการทันภาวนาอย่างนั้นแต่นี้ต่อต่อไปถ้าได้เป็นขั้นแรกแล้วก็ย่างมากก็หกชาติเจ็ดชาติก็ไปนิพพานได้แต่ยังไม่ได้สำเร็จแม้แต่ขั้นโซดาปฏิโผลงเลยเอานิยายไม่ได้ อาจจะเป็นนกกาขันล่องเพลงอยู่ในโลกก็เป็นไะด้ไม่พ้นทุกไดไอนะ่ะแค่นั้นเราทุกคนให้่ากันตั้งใจอะไรทั้งหมดนั้นมันไม่เหลือความเชี่นไม่เหลือความตั้งใจของผู้ปฏิบนนะัติได้ แต่ถ้าว่าจิตใจของผู้ใดใจเลื่อนลอยไม่ตั้งใจ <c oughs> ไม่เอาจริง <c oughs> จะต้อง <c oughs> <c oughs> จะต้องมีความทุกข์ยากลำบากลงคางเพราะ ว, ว่าแต่ละภพละชาติที่เราเกิดมานี้ลำบาก ถไ้ไม่ภาวนาไม่พิจารณาให้ดีก็เหมือนก็นว่าอยู่ในโลกมีความสุขยังเกิดมาเป็นคนอยากกินอะไรก็หามากินได้จะนอนแบบดดใดก็นอนได้จะเล่นแกะนกเฮฮาอย่างไรก็ได้ก็ถือเอาแค่นั้นเป็นความสุขความสุขเช่นนั้นเมื่อความทุกมาถึง หายอันตรฐานหมดความสุขเช่นนั้นยางว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมันบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังสารตัวตนคนเราแลละความสนุกเฮหาเพิดเทลินนั้นได้ไม่ได้เมื่อความเจ็บมาถึงแล้วหายหมดความสุขไม่มี แค่นั้นการภาวนาปฏิบัติบูชามีการนั่งขัดสมาธิถ้าเดินก็เรียกว่าเดินจงกรมเยินเกเรเยินภาวนาเดินภาวนาเดินเกเรไปไหนมาไหนมีสติสังวรละวันแล้วก็รู้จักการรู้จักเวลาเวลาไหนเป็นเวลาที่ทําความเกลียน เวลาไหนเป็นเวลาปฏิบัติบูชาเวลาไหนเป็นเวลาฟังธรรมเวลาไหนเป็นเวลาปฏิบัติจริงๆจังๆจะต้องตั้งใจของตัวเองไม่มีใครจะไปควบคุมให้เพราะเราเกิดมาเองเกิอดแล้วความแก่ความชรามันก็แก่ไปเอง แล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไปเองความแก่ความชรามันไม่ใช่คำพูดดูคนที่แ ก, แก่แก่จะลุกขึ้นมาก็โอยปวดเขา่จาจะนั่งกัโอยปวดเขา่าธรรมดาก็ไปงานะถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแดดเอาละทีนี้กังวลวุ่นวายที่สุด เหลือว่าเจ็บให้ได้ป่วยจะถึงวันเวลาจะตายยิ่งวุ่นวายใหญ่เดี๋ยวก็ขอให้เอาลกนั่งเพราะคิดว่าถ้าลุกนั่งแล้วมันจะสบายพอมานั่งนิดนๆหน่นนอยมันก็ไม่สบายคือว่าความเจ็บให้ได้ป่วยความตายใกล้เข้ามาไม่มีทางไหนจะสบาย เอาขอนอนเอานอนลงไปนอนไปสักเล็กสักน้อยมันก็นอนไม่ได้นอนไม่หลับมันเหมือนใจแตกขาดขอให้เพื่อนปูงงูคณะยากีิน้องลูกเดาล้านเลี้ยงสามีภรรยาขอให้เอาลบลบขึ้นมามันก็ไม่สบาย เพราะใจไม่ภาวนาใจไม่รักกิเลสใจไม่มีพุโทโธมันก็มีแต่ความทุกข์อย่างนั้นบางคนก็ <c oughs> ทำแต่บาปอาสุเก็บใจมันเป็นนรกเป็นอาบายพอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าร้องเหมือนวัวเหมือนค ว, วาย มันเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้ามีพระมีครูบาอาจารย์ไปตักเตือนว่าท่านใน้องร้องภาวานาพุทโธดีกว่าเขาก็จะตอบออกมาให้ฟังว่าไม่ไหวแล้วมันเลยภาวานาไปแล้วไปคุอยิ่มันเจ็บมากจนกระทั่งภาวานาไม่ได้แล้ว การภาวนามันเลยไปไม่ได้หรอกเจ็บเท่าไรก็ยิ่งภาวนาเขาทุกเขเวทานาทอบงามเท่าใดภาวนาให้ันเยี่ยงดีดูตัวอย่างหลวงปู่แหวนเพิ่งจะมาลังลบาบภาพไปเร็วๆเมื่อเดือนวันที่สองเดือนมกราคม อาจารย์หนูเป็นผู้เฝ้าดูอาการไถ่ของท่านท่านไม่วุ่นวายอะไรทัร้งหมดเพาวนาลูกลูกเดียวจิตใจไม่ว่าวุ่นประการใดเป็นเพียงแะ่ว่าหายใจมันสั้นไปสั้นไปหายใจไม่ถึงท้อง ถึงการนั้นจิตใจท่านก็เย็นสบาไม่ทุกไม่ร้อนไม่กระวนกระวายจนกระทั่งลมหายใจหมดไปท่านก็ไม่วุว่นวายอะไรเมื่อลมหายใจหมดแล้วยังมีเส้นในพอกระตกอยู่เสียงนิดนิดอาจารย์หนูดู ท่านไม่ลุ่มวายอะไรทั้งหมดในเพราะท่านปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนามาตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยๆเมื่อสมัยเป็นสามเณรก็ปฏิบัติทุกปัจฉาอาจารย์ด้วยนำร้อนนำปุ่นนำเย็น อะไรที่จะอนิเคสงเค์าท่านอุปถาอาจารย์ท่านก็ทำข้อวัดปฏิบัติบุญบารมีอันนั้นก็ยืส่ส่งจนได้อุปสมบทในทางพุทธศาสนาเป็นหลวงพี่หนุ่มเ้ก่อนเมื่อได้เป็นหลวงพี่หนุ่มแล้วท่านก็ไม้ขอยความเกียดเกียงพยายามมาโดยลำบัก จนถึงขั้นเป็นขั้นอาจารย์พระเถระจนสุดท้ายเกณถึงเกณฑหลวงฝู่เท้าจริงๆอายุได้เก้าสิบเก้าสิบเก้า็ว่าได้เพราะมันเข้าในกระบวนรเก้าสเก้าแล้วทีนี้เมื่อมาถึงมรณนะภัยกรรมฐ า, านท่านไม่กลัวแล้ว เพาได้ทำมาปฏิบัติมาเป็นจำนวนคือจากร้อยปีเกิดุทิ่มีเวลาบกานกุศลก็ส่งให้ท่านได้ปฏิบัติบูชาภาวนาเจนถึงวาละสุดท้าย ท่านเราทุกคนพอให้ขาการตั้งบกปั้งใจอยากไปคิดว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยบุญมันน้อยถ้าเราทำอยู่เสมอๆ ม, มันก็มากขึ้นมาเองแต่เราอยากไปตีจนตายก่อนไข้คือว่าไข้ยังไม่มาถึงเราตีตัวของเราให้ตายก่อนไข้นั้นไม่ดี เราต้องภาคเทียนพยายามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราภาวนานั่งภาวนาเดินจนกลมปฏิบัติบูชามาให้ทอดอยไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็ตั้งใจภาวนาอยู่แล้วก็รู้จัก โอชาเนมัตสันยุตตาคือรู้จักประมาณในการบริโภคการกินการบริโภคการหกสันน้ก็สำคัญผู้ภาวนาปฏิบัติบูชาท่านให้ชื่อว่าอาหารและสัปปายะ อ, อาหารเป็นที่สบายคำว่าอาหารเป็นที่สบายนั้น คือไม่มากเกินไปเอาให้มันพอดีขำให้พอดีกินให้พอดีและไม่ให้น้อยเกินไปจนกระทั่งว่าหิวห่วยลอยแรงไม่มีกำลังภาวนากดใช้ไม่ได้อีกคำว่ามัดกินมาพอดีเรวดัา่งากลางไม่มากไม่น้อย หลายอย่างจะภาวนาได้เรียกว่าอาหารสบายอาหารเป็นที่สบายเสนาสะนะที่โยอ า, ายศัยเสนาสะนะสบายยะที่โยอาศัยเป็นที่สบายถ้าภาวนาอยู่ไม่ขาดระยะ เห็นาสนะนั้นสบายหมดเพราะใจสบายก็สบายถ้าใจเราร้อนเลือที่เ ล, ล่นล่ัฮะโตตามอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่สบายถ้งละออกไปทีละน้อยละน้อยเมื่อละฮะมันเด็กขาดทีเดียวไม่ได้เราก็ละไปทีละน้อยละ น, อน้อยอย่างว่าเป็นคนมักที่เล่นที่คุยอยู่คนเดียวไม่ได้เราก็ พยายามหัดหัดอยู่คนเดียวไม่ต้องไปคุยที่โน้นที่นี่มันเสียเวลาเพราะไปเล่นไปคุยโน้นคุยนี่เนี่ยเสียเวลาไปเท่าไหร่สู้นั่งภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาท่องบทสัพย์ยายธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้านั่นและดีกว่าดีมาก เราต้องรู้จักอาหารและสปา ย, ยะอาหารเป็นที่สาบายเสนาณนสัายะเสนาณนที่โยอาศัยเป็นที่สบายโดยเฉพาะคือท้ำหากล่องที่เร า, าทาทังหลายมาอยู่มาจังทันซาเนี้อหาได้ยากไปหาที่อืนหาดูเถิด จะได้ที่อย่างนี้นั้นยากที่เพิ่แล้วบางบางแห่งก็ใกล้บ้านเกินไปบางแห่งก็ไกลจาก บ, บ้านเกินไปบางแห่งก็ขาดตกบกองไม่มีน้ำใช้น้ำดื่มพอควรเรียก ว, ว่าหาที่สบายได้ยาก แต่ถ้าใจของเราตั้งมั่นให้ดีแล้วรู้จักประมาณประมาณโยรู้จักประมาณรู้จักประมาณตนรู้จักประมาณท่านดูพระพุทธรูปดูครูบาอาจารย์ดูหมู่คณะท่านทําอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องเรียนแบบให้ได้บ้าง ตื่นเข้ามามีข้อวัดปฏิบัติกันใดปักกวาดเสียนาสนะที่ว่ว้พระสวดมนต์โอเสือสารอาสนะก็ต้องเรียงต้องสุกถ้าเราทุกคนมาสู่สถานที่นี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามาแล้วก็เห็น เป็นแบบนี้นมีกระทนมีขวดน้ำมีอะไระต้องดูแล้วก็ทำให้ได้ด้วยไม่ใช่เกียงแต่ว่าถึงเวลาแล้วก็มานั่งเราไม่ทำอะไรเลยแม้แต่น้อยอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันต้องหัดจัดหัดทำ เพราะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าข้อวัดถปฏิบัติเมื่อใครทำแล้วเรยว่าหัดให้ใสให้เป็นคนดีไม่ใช่เสียงแต่ว่ากินแรงคนอื่นผู้อื่นให้ผู้อื่นทำให้ซึ่งเราก็ไม่เก็ียดใครได้ป่วยประการใดพอทำได้ก็ให้หัดทำ อะไรทุกอย่างนี้แหละเรือว่าประมันอยู่รู้จักประมาทจึงรวมว่าเจ็บใจเป็นที่สบายพุทธละสบายบุคคลเป็นที่สบายเศนาคณะเป็นที่สบายอาหารละสปายอาหารเป็นที่สบาย สึ่งเราไม่ต้องฝุดต้องหัดต้องดัดแต่งนิสัยใจคอของตัวเองให้เป็นไปในคํามองที่ว่าเป็นคนดีธรรมดาคนดีเขาต้องแสดงออกท้งกายคือความประพฤติทางวาจาคือคำพูดหรือว่าระสวดมนต์ทางจิตเขาต้องสงบระับ บริกรรมภาวนาสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเป็นผู้เจริญอยู่เป็นนนตติดต่อกันไปเจริจะพยุงกายวาจาจิตของเราให้ดีขึ้นถ้าเราไม่มีข้อวัดสติบัติเป็นเครื่องประกอบกับ ร, รมไม่ภาวนาเป็นหลักเชินฐาน จิตใจคนเรานั้นมันมีแต่จะไหลลงไปโูวที่ต่ำเสมอมันจะสูงขึ้นเองไม่มีทางที่เหล็กลาคะโทสะโมหะที่มันแท่อยู่ในใจคนเรานั้นมันไหลลงไปโู่ที่ต่ำเพื่อที่ใดมันเป็นไปเพื่อที่แลกความโกรธมันไหลไปนะั้น กิแลสความโลภอยู่ที่ไหนมันไหลไปนั่นกิเลสความหลงมันอยู่ที่ไหนมันไหลไปนั่นทางต่ำมันไหลเองแต่ว่าทางดีนั้นเราต้องลุกขึ้นปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเราจะไปพึ่งพาอาศัยผู้อื่นทําแทนทําให้แล้วก็ไปขอบุญกับท่าน โดยที่เราไม่ทำบุญไม่ภาวนาไม่ละ ก, กิเลสมันก็ไม่ได้อยู่นั่นแหละเพะนั่นข้อวัดปฏิบัติมันไม่เฉพาะแต่ว่านั่งคัดสมาเพชยอย่างเดียวจิตใจก็ให้เป็นเพชยเป็นพอยด้วยอาใจที่เธอฟุ่งสร้างลำพานกิเลสตังหาปกคุมหัวใจ มีแต e sa ่ความโกรธในใจมีแต่ความโลภในใจมีแต่ความอยากได้แต่ไม่ทำไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้อยู่ดีๆนั่นแหละเมื่อเรามีความมุ่งมากปราชนาผสมอย่างได้การมามรรพาชาอุปสมบทมารักษาศิห้าสิ่งแตเราต้องทำดีด้วยปฏิบัติดี ไม่ใช่ปฏิบัติดีเพื่อเอาไปอวดอ้างให้บุคคลผู้อื่นยกย่องสรรเสริญว่าเราดีก็ไม่ใช่เพื่อทำดีเพื่อละทีเล็ดทีเล็กนั้นคือทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วไปในทางที่ไม่ดีให้ชื่อว่าทีเล็กเราไม่ต้องทำไปตามทำดี ดียอย่างพระพุทธเจ้าดียอย่างพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดียอย่างพระอริยสงสาววเจ้าทั้งหลายคือประกอบกระทาแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราต้องละเย็นอย่าได้ปูกยาได้ทำยาได้คิดพุทธในใจให้มีอยู่เสมอเสม ไม่ต้องไปโกรธให้ใครโกรธให้ตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปโลภอยากได้อะไรอะไรมันจะมีอยู่เท่าที่มีนี่แหละในชีวิตของมนุษย์คนเราก็อาศัยปัจจัยท่านสี่คืออาหารการกินเรียก ว, ว่าบินขาต ที่โยอาศัยเรียกว่าเสนาสะนะเมื่อเจ็บไข้ได้สวยก็ยุกยาแก้โรคไข้ไข้เฉีดตามธรรมดามนุษย์เราต้องมีท่าผ่อนท่อนสบายนุ่งผมมีสบงจีวรเป็นเครื่องปกปิดร่างกายสิ่งเหล่านี้ท่านว่าปัจจัยทั้งสี่ คนเราต้องได้อาศัยถ้าขาดปัจจัยทั้งสีก็ไม่ได้เหมือนกันจึงให้พาการตั้งอกตั้งใจอย่าเข้าใจเพียงแต่ว่าทำไมหนอความปฏิบัติของเรามันจึงไม่เจริญเพราะมันไม่มีเครื่องสนับสนุนใจก็อ่อนแอทอแท้ทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ มีแต่ความไม่ตั้งใจใจมันไม่ตั้งแต่เมื่อใจเราไม่ตั้งกิเลสมันตั้งกิเลสมารสังขารมานเขาตั้งใจเป็นที่โูกมัดรัดเล็งพัดชวนจิตใจของเราให้หลงไหลไปในทางที่ต่ำท่านให้เชื่อว่ามานกิเลส อย่าให้มันมาทับถมจิตใจจงพากันเืินขึ้นลุกขึ้นบำเพ็ญสมถะกรรมฐ า, านวิปัสนาสรรมถานนั่งกรรมฐ า, านภาวนาให้ได้ทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทุกัลียาบทภาวนาพุทโธให้ได้หรือว่าภาวนาตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก เจงเราเนี่ยแหละเราต้องประกอบกระทำอย่าไปรอท่ามันเป็นไปเองไม่มีทางการภาวนาการนึกน้อนถึงคุณพระพุทธเจ้าทันว่านึกอยู่ทุกลมหายใจส่อนั่งก็อ น, น, อนึกนอนก็นึกเดินไปมาที่ไหนก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นนารก เคลียใจจึงจะเย็นสบายเมื่อขั้งสุดท้ายเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ย่อพาให้กายวาจาใจของเราทุกคนมีความเจริญก้าวไปในความสุขสงบเยือกเย็นตั้งมั่นโยในธรรมปฏิบัติ จากนั้นอุบายโดยยนยอนนี้เมื่อว่าเราทันทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสกความเจริญเอวังก็มีด้วยประการน์นี สัพพิติโยวิวัตทันตุสัพพะโลกโคโนิณัตตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขคเทคายยโกภวะอะคิวาธนาสิริสนิจังวุธาปัจจายิโนจัตารโอธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังทาลัง การนั่งสมาธิภาวนาให้ถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติของตนของตนทุกคนไม่ใช่ของคนอืน่นไม่ใช่ผู้อื่นบอกให้มั่งก่อนนั่งถือว่าเป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะการนั่งรับสมาธิ ให้เอาขาซ้ายขึ้มาทับ ข, ขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขกซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายแล้วก็หลับตาตั้งใจภาวนาพุโทโธทุกลมหายใจเข้าออกตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําให้ภาวนา พวกลหมหายใจเข้าออกนั้นเป็นการฝึกจิตของตนให้มาสงบระงับให้มารวมให้มาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวตามธรรมดาใจมนุษย์คนเราและสัตทั้งหลายนั้นมันไม่อยู่กับผี้ มันชอบคิดเนก้รงแต่งไภายนอกในร่างกายของตัวเองขาสองแขนสองศีระหนึ่งมือหนังหุองอ้งโยเป็นที่สุดรอบที่เราเรียกว่าตัวเราของเรามันก็ไม่โยที่นี่มันออกไปทางนอก คิดไปหมายไปตามความคิดเห็นของตัวเองให้กิเลกมันโจรจะโหมกันไม่ตั้งมั่นภายในไม่สงบอยู่ในตัวในใจฉะนั้นเอลาภาวนาท่านจะให้มาสงบอยู่ในตัว เือว่าตรีมนผลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เป็นที่ภาวนาเป็นที่เอาจิตใจมาไว้ที่นี้เก็บจิตใจไวและฉันก็ให้บริกา ร, รพุทโธพุทโธจนจิตใจสงบตั้งมัน่นเมื่อใจสงบตั้งมั่นแล้ว ไม่ใช่ให้หลับให้นอนหลงลืมทั่งเธอเพื่อให้ใจดวงที่สงบละงับนั่นแหละเื่อนแข้งดูร่างกายของคนเราตัวเราชื่วันหนังห่มโยเป็นพื่เดรอบนี่แหละ ถ้าหาออกว่าถลกหนังออกหรือว่าปาเอาหนังออกเสียร่างกายของเราจะเป็นยังงกำหนดในใจของตัวเองปาเอาหนังออกถลกออกจนหมดจะมีอะไร ตามธราดาร่างกายคนเราและสัตว์ทั้งหลายถ้ามีของคมของแหลนถูกต้องเข้ามันก็จะมีเลือดไหลออกแล้วยังไม่ถึงสรบหนังแต่มันก็แสดงมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาเมื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมามาก ตัวเราหรือบุคคลกนนั้นก็จะถึงซึ่งความตายมันเลือดไหลออกมนามากเลือดนี้ก็เป็นที่ยังชีวิตให้เป็นอยู่ดูเวลาคนไปโดนอุปัทวเหตุเมื่อเลือดไหลออกมาคนนั้นก็ตายไปในน้ำเลือดนี่แหละ ก็ต้องกำหนดพิตากรรมว่าในตัวเรานะ่ะทุกคนอย่าสำคัญผิดคิดว่าเป็นของสวยของงามโดน้ำเลือดในตัวนี้เนี่ยถ้าหาว่าเราถาลกหนังออกก็จะมีเนื้อเป็นกั้มๆอยู่ในร่างกายทั่วไปหนาบ้างบางบ้าง มากน้อยต่างกันไปพร้อมกับสีแดงคือสีเลือดนี่ถ้าตายแล้วร่างกายมันจะกระแดงมันกะแดงตายทีแรกก็แข็งก่อน ถ้าใครยังไม่เคเห็นคนตายแล้วเวลาคนตายเม่ยังไม่ได้ไปจับดูก็ไม่รู้ว่าตายแล้วเป็นอย่ไรคนตายกับคนเป็นต่างกันแต่ถ้าเราจะจับตัวเราเมื่อตายนี่นไม่ไม่ได้เพราะมันตายแล้วเราต้องจับคนที่ตาย ตัวเรายังไม่ตายดักโดแดดตายทีแรกก็เย็นเทียบแบบะความอุ่นเหมือนร่างกายเราไม่มีอีกไม่นานก็แข็งไปพักหนึ่งเมื่อในนั้นนำเลือดนำเหลือง ก, ก็จะแสดงความเน่าความเปื่อยขึ้นมา เพืองจะเอาหนังออกเท่านั้นสมมติว่าตัวเราจะดูตัวเราก็จจำไม่ได้มันจำแค่แค่ผิวหนังนี่เท่านั้นถ้ากว่าถลกหนังออกเดินหนังออกปากหนังออกแล้วจาไม่ได้เพราะคนจำกันได้นั้นคือจา เิียวหนังจำเขียวหนังจาผมจําขนจําบาดแผลต่างๆบางคนมีแผลที่ไหนก็จําไปบางคนมีตามีสีดําสีแดงในร่างกายก็จําเอาอย่างนั้นแหละ เนื้อหนังมังค์แข็งของคนเรานี้ยเมื่อตายแล้วทีแรกมันก็แข็งกระด้างไปก่อนอีกสักวันสองวันไปเท่าไหร่นานเท่าใดมันจะพองขึ้นมันมันเปลี่ยนเน่าสีสันวันนะมันจะดำ กินก็จะฟุ่งขอจร อ, ออกมาถ้าไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีโลงดีดก็อ่องกินเนา่าฟุ่งขอจรทิงเราวเน่ก็ให้ราคิอตานตัวเองให้เห็นว่าตายแล้วมันเนา่ามันเนา่ามันเหน็น ไม่ใช่หอมร่างกายนเนี่ยอสุภกรรมฐ า, านเป็นก้อนอสุภะถ้าตายแล้วเขาไปฝังในดินก็เปเน่าในดินนั้นถ้าตายแล้วเขาเอาไปเผาไฟบางคนพอตายแล้วเขาก็ไปเผาไฟเดลี่ย บ้านนอกอเคราะมาเขาเอาไม้มาเป็นกองใหญ่ๆเสริไม่ตายมากองแล้วก็เอาศพคนนั้นขึ้นไปวางเอาไม้เปงเข่ามา่ให้มันดิ้นตกลงมาจุดไฟข้างล่างไฟก็จะไหม้ขึ้นมา นที่จุดไฟไม้มากเต็นที่มื่อกไหม้ร่างกายมนุษย์ที่ตายนั้นเพราะไฟนั้นไม่ได้เลือกว่าคนว่าจัดว่าอะไรถ้าจุดเผาแล้วเผาไหม้แล้วมันไหม้ทั้งร่างกายมนุษย์ เวลาไฟไหม้กระโดกกรรมฐ า, านไม่นานน่ะถ้าไฟมีเพลินมากๆแคโมองเดียวเท่านั้นเนื้อหนังมังสังไหม้หมดเป็นที่เท่าไปหมดจนถึงขั้นกระดูกกระดูกก็เป็นเท่าเป็นฐานไป ความเหน็นก็จะหายไฟผ่าไฟไหม้นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทุกคนํำหนตว่าอาสุภะกรรมฐานมันเป็นอาสุภะจริงๆไม่สวยไม่งามเอื่อยเน่าโค้พัง เราก็เหม็นสาบเหม็นมนุษนั้นแล้วว่าไม่ชอบละปลาเขายังเอามาทำเป็นของแห้งบ้างทำเป็นปลาล่าบ้างแต่ม น, นุษย์ไม่ทำไม่ได้มันเหม็นทำแล้วก็ไม่มีใครกิน กินไม่ได้มันกินไม่ได้นั่นแหละมันเป็นการแสดงออกว่าร่างกายของคนเหล่านั้นไม่ใช่สวยงามเป็นอสุภกรรมฐ า, านถ้าเข้ากองไฟกองคอนมันจะไม่เป็นแหะมันไฟไหม้เป็นเถ้าเป็นฐานไป ผลที่สดก็ฝังลงดินไม่อย่างนั้นก็พิ่งววานั่นนานเข้ามันก็พัวพังไปหมดไปจึงที่เราเยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูหน้าของกูประดูกของกูของเราจะไม่มีเหลือมันจะเหลืออะไรมันก็ลงเป็นดินเมื่อเผาไฟฝังดินมันก็ลงเป็นดิน นั่นเข้าดินเป็นอย่างไรร่างกายคนเราที่แอดบับตายไปแล้วมันก็เป็นดินเหมือนดินธรรมดาที่เราเดินไปมาเห ย, ยียบย่าไปมานั่นแหละแต่เมื่อตายใหม่ๆมันไม่เลอกว่าดินความเกียงนันก็เป็นดินน้ำไฟลมนั่นเอง แต่ยัไม่ลองเปนดินเมื่อเผาไฟหรือมันตายเน่าแล้วมันก็ตายเป็นดินดินนั่นแหละมันก็เกิดเป็นหญ้าขึ้นมาเกิดเป็นผักขึ้นมาเกิดเป็นเห็ดเป็นหอมขึ้นมาแล้วก็กินเห็ดเดกมนุษย์ที่ยังไม่ตายอกินสัตว์กินเห็ดกินอะไรต่อ น, นี้อะไร ทำบากกรรมต่างๆนานาได้แล้วก็ไม่อยากตายด้วยผู้ยังไม่ตายถ้าเห็นคนอื่นเขาตายผู้อื่นเขาตายก็มักจะหลอกกันว่าตายแล้วก็เป็นผีระวังผีหลอนกนลงไป อันนี้แหละร่างกายสังขารของคนเรานั้นต้องกำหนดทิจะะารณาพระพุทธ อ, องค์ท่านสอนว่าแรกก็อาตุผักกั้นมาฐานเมื่อบวชใหม่แรกแกท่านให้เรียนเจษาผมโลมาขนหน้าขาเล็บพันตาฟันตะโจหนัง ผมขนและฝันหนังนี่แหละท่านให้กำหนดให้เห็นว่าเป็นอริยพระสมถานในอาการห้าอย่างนี้เราต้องเอามาคิดมาอาจให้เห็นตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่ามาคิดหาว่าเป็นของสวยของงาม หน้ารักใค้่พอใจถ้าตายแล้วมันเปื่อยมันเน่าล่ะมันเป็นหน้ารักใค้่พอใจที่ไหนตามันก็ไม่เหมือนตานคนเป็นตายแล้วตามันก็หลบลงสาไม่มีอะไรที่จะมาลุมหลงมัวเมาอยู่อีก เอาไปฝังดินส่วนใดที่เป็นดินมันก็กลายไปเป็นดินส่วนใดที่เป็นน้ํามันก็กลายไปเป็นน้ําเป็นน้ําเหมือนน้ำฝนนั่นแหละน้ําฝนตกลงมาอย่างใดน้ําในร่างกายคนเราเมื่อมันแตกกดกระจายภาพน้ํามันก็ไปโซต้าน้ํา เมื่อยังไม่ตายก็เรียก ว, ว่าถ่ายปัสสาวะถ่ายน้ำลายออกมาซึงเราเนื้อก็ต้องโดนิธาดน้ำธาดลมธาดลมก็มนือโย่ในร่างกายลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลงในท้องลงในลมในใส้ลมพัดไปตามสาระปางร่างกาย จนถึงลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าเอามาภาวนายดึดเหนวเอาจิตไวในลมจำได้ตรัสรู้เป็นเระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยกำหนดลมลมเมื่อกะทุกข์ก็เมยโยล่เมือ่อถ้าตายแล้วมันก็น ไปจนลมธรรมดาไปเข้าธาตุลมทั่วไปในโลกธาตุาไฟธาตุไฟก็คือธาตุร้อนในตัวคนเราก็เต็มไปด้วยธาตุไฟ้าฝนไม่ตกไม่มีหนาวมันก็มีความร้อน กางวันไปนั่งที่ไหนก็ร้อนวันนี้ร้อนปีนี้ร้อนฝนไม่ตกคือนธาตุไฟธาตุไฟเมื่อร่างกายแตกตายนัยไปไหนก็ไปโซธาตุไฟธาตุไฟมันกเต็มอยู่ในลอกนี้ธาตุลมมันกเต็มอยู่ในลอกนี้ธาตดดุินมันกเต็มอยู่ในลอกนี้ เกว่าดินน้ำไฟลมร่างกายสังขารของเราก็ให้เอามากำหนดที่การณาให้เห็นดินน้ำไฟลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็ยืนเดินนั่งนอนมาบทเรียนเขียนอ่าน ภาวนาก็เป็นเรื่องพระเรื่องเนียนเรื่องผ่งาขาวนางชีไปก็เพื่อเพื่อให้จิกรณาร่างกายของตัวเองอย่าเพียงตัวมานงงง่งมผ้าผ่อนต้นสบายแล้วก็มาหลงหลับหลงนอนไม่กำหนดภาวนาในใจ พาให้จิตใจวุ่นวายบวดก็ไม่นานใจมันวุ่นวายเพื่อไม่ภาวนาเตียยเต่งดูความจริงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเขาเป็นเพียงธาตุแต่เมื่อธาตุเหล่านี้รวมกันเข้าแล้วมือมโนธาตุคือธาตุใจธาตุจิตจิตมโยอาศัย เมื่อจิดมาโยอาศัยในธาตุดินน้ำไฟลมที่ว่ามีหนังหุองอ้มโยเป็นที่สุดรอบมีเนื้อมีเอ็นมีกะโดกมีเยื่อในกระโดกมีตับไตไ้คงมีทุกสิ่งทุกอย่างอาการสามชิ้นสองอันเนยูยในตัวเราทุกคนก็ให้กำหนดพิจารณาดูให้ดี ว่าจิงเหานี้มันอยู่ในชาตนหนึ่งนัง้นมันนานเท่าไหร่อย่างคนในสมัยนี้อายุสั้นพลันตายบางคนเกิดมาอายุไม่ถึงสิบปีตายก็มียังไม่ถึงยี่สิบปีตายก็มียังไม่ถึงสามสิบปีตายก็มี ยังไม่ถึงสี่ตีตายก็นมียังไม่ถึงห้าชิดตีตายก็นมียังไม่ถึงหกชิดตีตายก็นมียังไม่ถึงเจ็ดชิดีตายก็นมีเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายตายได้ทุกวันเวลาไม่เลือก แต่ถ้าเราไม่ไดเอามานิจารณาให้ดีแล้ว